เพลงต่อไปเป็นเพลงที่พิเศษมากครับเพราะว่าผมทำมาหปีแล้วอยู่ในชุดแรกอยู่ในชุดเป็นโบนัสแทร็กของชุดแรกชุดชุดเกินเหตุจนถึงวันนี้ผมไม่เคยนำเพลงนี้มาเล่นสดที่ไหนมาก่อนที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ผมภูมิใจมากครับเป็นเพลงที่ผมหวงมากที่สุดเพลงหนึ่งในชีวิตครับชื่อเพลงว่าคำขอร้องครับ เมื่อเธอจะจากฉันไปฉันคงไม่มีทางห้ามเธอไม่ว่าอย่างไรเธอคงต้องไปไม่ว่าเธอนั้นสำคัญเพียงไรก่อนเธอจะจากฉันไปฉันคงต้องอดทนฝืนยิมให้เธออีกครั้ง ก่อนจากฉันไปไปอยากจะขอร้องเธอสักครั้งขอให้เดินจากไป ช, ะชะ้าๆกราบที่เวลายังพอมีอยู่อยากจะเฝ้ามองดูภาพเธอจนนาทีสุดท้ายขอให้เดินจากไปด้วยดี อยากให้เธอโชอคดีมีสุขอยากให้ทุกทุกวันที่ดีมีเธอที่อดงาม เมื่อเธอเดินจากฉันไปฉันเข้าใจว่าเธอคงไม่มีวันจะกลับมากลับมาที่เดิมกลับมาให้ขอร้องเธออีกครั้งว่าให้เดินจากไปชะชาๆตรับที่เวลายังพอมีอยู่อย่ากจะเฝ้ามองดูภาพเธอ น, นาทีสุดท้ายขอให้เดินจากไปด้วยดีอยากให้เธอโชคดีมีสุขอยากให้ทุกทุ ก, ทกวันที่ดีมีเธอที่งดงามอยากให้ทุกทุ ก, ทกวันที่ดีมีเธอที่งดงาม คุณมากครับตอนนี้นายดนตรีทุกคนกำลังอยู่ในสภาวะที่แย่นะครับมไม่ว่าจะออกมาประสบความสาเร็จหรือไม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เอารายได้พวกเราไปกินหมดเลยคือเรื่องของเทปผีซ d ดีเถื่อน MP3 แล้วก็พวกชอบฝากอัดซ d ดีทั้งหลาย <laughs> อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบมากๆเลยฉะนั้น ภูมิใจถะครับถ้าเกิดซื้อเทปจริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อเทปผีเนี่ยเงินของคุณเนี่ยเข้ากระเป๋าโจรนั่นนั้นนะครับแล้วมันก็หดอะ <ś c oughs> <ś c oughs> ใช่ัหมมันเสี ย, ยใจครับ <ś c oughs> ไหวนะครับช่วยหน่อยครับผมไหวด้วยคนครับ